بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خ ط ا ب الإسلامية بالدمام تواصل مع أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد ا ل غ ا م د الشريط الثالث عشر ويحتوي على صور الصفات صاد الزمر غافر وفصل نام ب و الصفات ب و الصفات เป็นบทมักกียะมีหนึ่งร้อยปสิบสองโอกาสบทนี้เริ่มกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับมาลิกาผู้ทรงคุณธรรมผู้ยืนเข้าแถวในเวลาละหมาดละบรรดาปีของพวกเขาอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรับคำบัญชาของพระองค์เป็นผู้ควบคุมให้เมฆทั้งหลายพัดพาไปตามพระประสงค์ของหล่อและได้กล่าวถึงพวกยิน ซึ่งพวกมันจะถูกขับไล่สายส่งและถูกกว้างด้วยเปลว เ, เพลิงอันโชดช่วงเป็นการตอบโต้คำกล่าวอ้างของพวกยาฮีเรยะในการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่าพวกยินนั้นมีความใกล้ชิดกับบอลวบนนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและการปฏิเสธของพวกมุชรีกีนที่มีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวตลอดจนการไม่ยอมเชื่อว่า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 ในเหตุการณ์ของอิสมาอิลผู้เสียสละให้ถูกเชียด์ลรีอันเนื่องมาจากการฝันของผู้เป็นบิดาคือนบีอิบรอยฮีขนขณะที่ถูกใช้ให้เชือดบุรฉายตลอดจนการที่สัตว์เชือดได้ถูกนำมาเป็นการถ่ายแทนทั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงเรื่องการยอมจำนวนและการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้พิพากษาอย่างเพี่ยงธรรมที่สุด บทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทอัซฟาตเป็นการเตือนให้รำลึกถึงบรรดาบ่าวของพระองค์ในชั้นฟ้าคือบรรดามาเลกาผู้บริสุทธิ์ซึ่งพวกเขาจะทำการพักดีต่อโลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดระยะพวกเขาจะแท้สองสาดุดีพรอมในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะและชี้แจงถึงตําแหน่งหน้าที่ของพวกเขาที่ถูกใช้ให้กระถาง ด้วยพระนามของลอทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยมาลายกาผู้เข้าแถวตามลำดับและมาลายกาผู้ควบคุมอย่างรัดกุม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 แท้จริงเราได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกนี้อย่างสวยงามด้วยดวงดาวทั้งหลายและเพื่อป้องกันซาตอนมารร้ายทุกตัวที่ดื้อรั้นพยิยน لى, พวกมันจะไม่สามารถรับฟังจากมาไลิกาผู้อยู่ในชั้นฟ้าชั้นสูงได้และพวกมันจะถูกว้างจากทุกๆด้านถูกขับไล่สายสง่งออกมาและสำหรับพวกมันจะรับการลงโวษอย่างต่อเ น, นื่ง เว้นแต่ตัวใดที่มันฉกฉวยเอาไปได้แม้แต่ครั้งเดียวก็จะมีเปลวเพลิพงอาโทดช่วงไล่ติดตามมันไปทั هم أ هم أ ้งเจ้มันเป็นผู้สร้างสรรค์ที่สุดที่นุษย์สาขึั้งที่มนุษย์นจากดินละ เจ้าจงถามพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพสิวะพวกเขามีความแข็งแกร่งในสิ่งที่ถูกสร้างมากระ น, น, นั้นหรืหรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมาแท้จริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนีย ว, วยแต่เจ้าคงแปลกใจขณะที่พวกเขากล่าวเยาะเยะ้ดดยด إ ذ ا ذكروا لا يذكرون และเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกพวกเขาก็จะไม่ยอมรับข้อตักเตือนแต่เมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งปาฏิหาริ์พวกเขาก็ชักชวนกันเยอะเยะ้ยและพวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายาคนอันชัดแจ้ง ا أ เมื่อเราตายไปแล้วแล้วเราได้กลายเป็นดินและมีแต่กระดูกเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกหรือแล้วบรรพบุรุษของพวกเรารุ่นก่อนๆนั้นด้วยหรือ ต้องกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าใช่แล้วและพวกเจ้ายังจะเป็นผู้อับอายขายหน้าอยู่ด้วยความจริงมันเป็นเพียงเสียงแถดก้องเพียงครั้งเดียวแล้วพวกเขาจะจ้องมอง และวพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้ความหายนะแก่เรานี่คือวันแห่งการตอบแทนมาลัยกัรจะกล่าวตอบว่านี่คือวันแห่งการตัดสินชี้ขาดซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรมและบรรดาสหายของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะลลาอืนอ่นจากอัลลอฮ ด, ด้วยแล้วจงแนะนำทางให้พวกเขาไปสู่ทาง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 เลบงควรในหมู่พวกเขาจะหันหน้ามาหากันโดยแต่ถามซึ่งกันและกันพวกาล่วว่าแท้จรินพวกเจ้าเคยมาหาเราทางด้านขพวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าเคยมาหาเราทางด้านขวา พวกเขากล่าวว่าเปล่าดอกพวกเจ้าทัางหากที่ไม่ยอมศรัทธาและเราไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้าแต่ว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชวนที่ดื้อรั้นต่างหาก แต่นั้นพระดบรัสของพระผู้อภิบาลของเราจึงคู่ควรแก่เราแล้วแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ในลิ้มรสอย่างแน่นอนเราได้แนะนำให้พวกเจ้าหลงผิดทั้งๆ ท, ที่พวกเราก็หลงผิดอยู่แล้ว แถ้จริงพวกเขาในวันนั้นย่อมมีส่วนร่วมในการรับโทษถ้าจริงนั้นแหละเราได้ปฏิบัติต่อบรรดาผู้มีความผิดแท้จริง เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์พวกเขาก็ยิ่งยโ่วสและพวกเขาจะกล่าวว่าแ่เราทอดทิ้งพระเจ้าต่างๆของพวกเราเพื่อนักกังวีบ้าคนหนึ่งกระนั้นหรือ เปล่าด อ, อกเขาเมตต์ได้นำสัจธรรมมาและเพื่อยืนยันบรรดาศาสนาทูตต่างหากถ้าจริงพวกเจ้าจะได้ริมรถการลงโทษอย่างเจ็บปวดอย่างแน่นอน และพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทาเอาไว้เว้นแต่พวงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ซื่อสัตย์ชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับปัจจัยอย่างชีพอย่างแน่นอน ผลไม้หลากชนิดโดยพวกเขาได้รับเกียรติในสวนสวรรค์นั้นหลากหลายรื่นรมย์อยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากัน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 และหน้าที่พวกเขานั้นมีบรรดาหญิงบริสุทธิ์ผลดสายตาลงตำ่ำมีดวงตาโตาสวยงามเสมือนพวกงางเป็นไข่มุกถูกคุ้มเปลืกเอาไว้ แล้วชาวสวรรค์เหล่านั้นบางคนในหมู่บ้านพวกเขาจะมาหากันไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันคนหนึ่งในหมู่บ้านพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง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 เขาชาวสวรรค์กล่าวแก่เพื่อนๆของเขาว่าพวกเจ้าอยากมองดูไหมทัานเมื่อเขามองลงไปก็เห็นเพื่อนของเขาอยู่ท่ามกลางไฟที่ลุกโชนชุ่มเขายังกล่าวตุนว่า ขอสาบะต่อ Allah ท่านเกือบจะทำให้ฉันพินาศและหากไม่ใช่ความโปรดปรานจากพระผู้บันของฉันแล้วฉันจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นดังนั้นเราจะไม่ตาย เว้นแต่การตายของเราครั้งแรกและเราจะไม่ถูกลงโทษกระนั้นดึงแท้จริงนี่คือความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่อย่างแ น, น่นอนเพื่อยิ่งการตอบแทนนี้ บรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนจงต่อสู้ต่อไปเถิดนั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าหรือว่าต้นซักกุม่มถ้าจริงเราได้จัดมันคือต้นซักกุม่มไว้เป็นการทดสอบกับบรรดาผูท้ทำแล้ว แท้จริงมันเป็นต้นไม้ที่ออกมาจากก้นบึ้งของนรกผลของมันคล้ายกับหัวของชัยต่อน แล้วพวกเขาจะกินมันแล้วพวกเขาจะเติมให้มันเป็นทองแล้วนอกจากนั้นพวกเขาก็จะได้ดื่มน้ำที่ผสมจากน้ำเปล่าแล้วแท้จริงทางกลับของพวกเขานั้นย่อมไปสู่นรกอย่างแน่นอน แท้จริงพวกเขาพบบรรพะบุรุษของพวกเขาอยู่ในการหลงผิดและพวกเขาก็ยังรีบ เร่งเจริญรอยตามอยู่และโดยแน่นอนส่วนมากของชนรุ่นก่อนหน้าพวกเขาได้หลงผิดและโดยแน่นอนเราได้ส่งผู้ตักเตือนไปในหมู่พวกเขา ดัง น, นั้นเจ้าจงดูเถิดว่าผลสุดท้ายของพวกเขาที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไรเป็นแต่พวกบ่าปที่ซื่อสัตย์ของอัลลอฮ์เท่านั้นและโดยแน่นอนว แด้ร้องขอเราดังนั้นผู้ตอบสนองช่างประเสริฐเสียนี่กระไรและเราได้ช่วยเขาและกลุ่มชนของเขาให้พ้นจากทุกภัยอันมหัน์และเราได้ให้ลูกหลานของเขายังคงมีชีวิตเหลืออยู่และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่กลุ่มชนรุ่นหลังๆความสันติจงมีแดน่นื้อ ในหหมู่ประชาชาาาทั้งลยลถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายแถ้จริงเขาหนัวเป็นคนหนึ่งจากวงเมบาวของเราผู้ศรัทธา และเราได้พวกอื่นจมน้ำตายวออาและแท้จริงผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของเขานั้นคืออิบรอฮิมเมื่อเขาได้เข้าหาพระผู้อภิบาลของเขาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เขาได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าเขารบพักดีอะไรกันเพื่อความเท็จรกระนั้นดื้่ที่พวกเจ้าปรารถนาพระเจ้า ดังนั้นความลึกคิดของพวกเจ้าที่มีต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจะเป็นอย่างไรเขาอิบรหฮิมจึงจ้องมองไปยังดวงดาวทั้งหลายแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่า แท้จริงฉันไม่สบายจริงๆตะวะลลออังมดบรีะรลาอะลียิฮิลอะลาทะกูลนั้นพวกเขาจึงหันหลังให้เขาและกลับออกไปแล้วอิบรอฮีมก็มุ่งหน้าไปยังเจเวต็ต่างๆของพวกเขาแล้วพูดว่าพวกเจ้าไม่กินอาหารเหล่านี้บ้างหรือ ทำไมพวกเจ้าจริงไม่พูดล่ะและ้วเขาก็หันไปตีพวกมันด้วยมือขวาซึ่งถือขวานอยู่และพวกเขาก็วิ่งมาหาเขา ที่บริมึงกล่าวว่าพวกเจ้าเคารพพักดีสิ่งที่พวกเจ้าแกะสลักมันกระนั้นดึ๊กทั้งๆที่ล้อทรงสร้างพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าประดิษฐ์มันขึ้นมา พวกเขากล่าวว่าจงสร้างสถานที่แห่งหนึ่งตเตาเผาสำหรับเขาแล้วโยนเขาเข้าไปในไฟที่ลุกโช น, ด, ด, น, นดังนั้นพวกเขาต้องการวางแผนร้ายแก่เขาและเราได้ทำให้พวกเขานั้นตกต่ำและอิบราฮิมกล่าวว่า ฉันจะไปหาพระผู้วิบาลของฉันแน่นอนพระองค์จะส่งทิศทางนำให้แก่ฉั น, บบ น, นโอ้พระผู้วิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่ดีๆให้แก่ฉันด้วยดังนั้นเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนขันติ ท่านเมื <ar> ่อคราวอิสมาอินเติบโตขึ้น ไไหนมาไหนกับเขาได้แล้วที่โบธิมได้กล่าวขึ้นว่าโอลูกเอย๋ยแท้จริงพ่อได้เห็นในฝันว่าพ่อได้เชื่อเจ้าจงคิดดูสิว่าเจ้าเฉินเป็นอย่างไรอิสแมนกล่าวว่าโอ้พ่อจ๋าพ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถอะหากอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์ พ่อเจนว่าฉันอยู่ในหมู่ผูมมลล้อดทนท่านเมื่อทั้งสองพ่อลูกได้ยอมจำนนต่อหลออิบราฮีมได้ให้อิสมาเลความห น, น, น้าลงกับพื้นแลวเราได้เรียกเขาว่าโอ้อิบราฮิม د د اء, ين ين. แน่นอนเจ้าได้ความฝันเป็นจริงแล้วถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายอินอนานนแดเน ه ์วะอ ل ลเบลาอัลมุบ้จริงนั่นคือการทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอน ถ้าเราได้ฆ่า่ายตัวเขาด้วยสัตว์เชื้อพลีตัวใหญ่ตัวหนึ่งและเราได้ปล่อยเกียที่คุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังังอิบรฮมเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด่อิบราฮีม เช่นั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริงเขาอิบรอฮิมเป็นคนหนึ่งจากพวกเบาของเราผู้ศรัทธาเราได้แจ้งข่าวดีับกขาว่า จะได้ลูกคนหนึ่งอิสฮะเป็นนบีคนหนึ่งในหมู่คนดีทั้งหลายและเราได้ความจำเริญแก่เขาและแก่อิสฮะและในหมู่ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นมีผู้ทำความดีและผู้อาธรต่อตัวเขาเองอย่างชัดแจ้ง และโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานแก่มูซาและฮารุและเราได้ช่วยเขาทั้งสองและกลุ่มชนของเขาทั้งสองให้พ้นจากความเพราะกรรมอันใหญ่หลวง ถ้าเราได้ช่วยเหลือพวกเขาดงนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ชนะถ้าเราได้ประทานคำพี่อันชัดเจนแก่เขาทั้งสองและเราได้แนะนำเขาทั้งสองสู่แนวทางที่เที่ยงตรง ين ين. ถ้าเราได้ปล่อยเกียรติที่คุณทิีงไว้แก่เขาทั้งสองในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด่มูสและฮารุถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย إِنَّهُمَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مِنَا แถ้จริงเขาตั้งสองเป็นปวงเบาวพวกเราผู้ศรัทธาแต่แทาจริงอียาสนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาศาสนาทูตทิากกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำดหู้อื่นรู้ว่าข้าพเจานัลคผูิกูน เมื่อพวกเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงอลัลลอฮ์พวกเจ้าเคารพสการะบาลังโดยพวกเจ้าทอดทิ้งผู้ทรงเลื่อริงแห่งบรรดาผู้สร้างการนั้นหรืออัลลอฮคือพระผู้อิบานของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนกาฬ แต่พวกเขาไม่ยอมสัทธาต่อนบีของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจะถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนนอกจากพวงเบาวของอัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์ใจเท่านแล้ว แลวเราได้ปล่อยเกียรติที่คุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแดวงวานของยาซีถ้าจริงแค่นั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บัรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายถ้าจริงเขาเป็นคนหนึ่งจากพวงบบาของเราผู้ศรัทธา และแท้จริงลูดนั้นเป็นคนหนึ่งจากบรรด า, าศาสนาทูตเมื่อเราได้ช่วยเขาและพ่อพวกลงเขาทั้งหมดให้รอดผลนนอกจากหญิงแก่คนหนึ่งที่เหลืออยู่ในหมู่ผู้รังทาย แล้วเราได้ทำลายล้านคนอื่นๆทั้งหมดแต่แท้จริงพวกเจ้าจะต้องเดินผ่านสถานที่ของพวกเขาในยามเช้าและยามคำ่ำคืนจากนั้นพวกเจ้าจะไม่พิจารณาดูบ้างหรือ إ أ ال และแท้จริงยุนุสนั้นเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่ถูกส่งมาเป็นรอดศูนจงดำลึกขณะที่เขาได้หมีไปยังเรือที่บรรทุกผู้คนเต็มเปียก ดังนั้นยูนัสได้เข้าร่วมจับฉลากแล้วเขาก็อยู่ในหมู่ผู้แพ้ในการจับฉลามักมุบแล้วปลาตัวใหญ่ได้กลืนเขาและเขาสมควรที่จะถูกตัดหนิหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แพ้สองซาดูดีแล้วตลลอ หากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แท้สองซาดูดีแล้วแน่นอนเขาจะอยู่ในท้องปลาจวกจนกระทั่งวันถูกให้ฟื้นขื่นจิต แล้วเราได้เหวี่ยงเขาขึ้นบนที่โลงหรือฝั่งในสภาพที่ปว่วยและเราได้มีพันไม้เลื้อยเป็นน้ำเตา้างอขึ้นปกคุมตัวเข า, าออลหหุ้มม และเราได้ส่งเขาไปยังหมู่บ้านของเขาที่มีจำนวนแสนคนหรือเกินกว่านั้นและพวกเขาก็ศรัทธาแังนั้นเราจึงปล่อยพวกเขามีความสุขสำราญชั่วระยะเวลาหนึ่งบบลลดังนั้นมูฮัมหมัดจงถามพวกเขาสิว่าพระพู้บวยพของพวกเจ้ามีบุตรหญิงหลายคน และพวกเขามีบุตรชายหลายคนกระนั้นหนึ่งอออหรือว่าเราได้สร้างมาลายกาเป็นเพศหญิงโดยที่พวกเขารู้เห็นเป็นพยาอลาอิหมินั้นหฮิมจากที่มลอยู่แลูน เพิ่งทราบเผื่อว่าแท้จริงพวกเขานั้นจะกล่าวความเท็จเท่านั้นจึงกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงให้กำเนิดบุตรชายและแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ทรงเลือกบุตรหญิงแทนบุตรชายกระนั้นหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทําไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้นพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ควรดูบ้างหรื อ, อหรือว่าพวกเจ้ามีหลักฐานนั้นชัดแจ้งดังนั้นพวกเจ้าจงนําคัมภีร์ของพวกเจ้ามาแสดงหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง ن ن และพวกเขากล่าวอ้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพระองค์กับพวกยินและโดยแน่นอนพวกยินรู้ดีว่าแท้จริงพวกมันจะถูกนำมาปรากฏตัว ต่อหน้าพระองค์เพื่อการลงโทษ س ب ح ล ن อ ل ل ه عما يصفون إلا عباد الله المخلصين มหาบริสุทธิ์ยิ่งดาวเหรอจากสิ่งที่พวกเขาเกล่าวอ้าเว้นแต่วงบ่าของ Allah ผู้ศรัทธาม إ ن ك น و م ม تعبدون ما, تع ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صار ا ل ج ح يم. แน่นอนพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชานั้นพวกเจ้าไม่สามารถทำให้ผู้ใดหลงทางไปได้นอกจากพุทธจเข้าไปอยู่ในไฟอันชดช่วยและไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเว้นแต่เขาได้รับตำแหน่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว ن ن และถ้าจริงพวกเรานั้นเป็นผู้เขาเ้าแถวอยู่แล้วและแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้แท้ซองซะดูดีอัลลอฮฺَละแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้เข้าแถวอ مِنَ ا ل ْ أ َ و َท ل ِร ن َ لَكُنَّا ِ้ ب َ ا د َ ا ل ل َّ ه อง ل ْดูดีอَ ص ِ ي ن َ และพวกเขาเหล่านั้นกุฟารมักกะเคยกล่าวไว้ว่าหากเรามีข้อตักเตือนทัาพีอยู่กับเราเช่นเดียวกับหมู่ชนในสมัยก่อนๆแน่นอนเราก็จะเป็นพวงบ่าวขอล้อผู้ซื่อสัตย์แต่พวกเขาปฏิเสธไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานแล้วพวกเขาก็จะได้รู้ และโดยแน่นอนลิขิตของเราได้บันทึกไว้ก่อนแล้วแก่พวงเบาวของเราที่เป็นศาสนาูุทว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือ และแท้จริงใค่คนของเรานั้นสำหรับพวกเขาจะเป็นผู้มีชัยชนะดังนั้นเจ้าจงหันเหออกจากพวกเขาชั่วระยะหนึ่งและจงเฝ้าคอยดูพวกเขาเถิดแล้วพวกเขาก็จะมองเห็นมันเอง เพราะเขาเร่งรีบต่อการลงโทษของเรากระนั้นดีครั้นเมื่อการลงโทษได้ลงมาที่หน้าบ้านของพวกเขายามเช้าของบรรดาผู้ถูกตักเตือนนั้นมันช่างชั่วช้าสิ้นเกล ح ح และเจ้าจงหันเหนออกจากพวกเขาช่วระยะนิ่และจงเฝ้าคอยดูเถิดและพวกเขาก็จะมองเห็นมนันเอง سبحان ربك رب العزة عما يصيرون. มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อภิบาลของเจ้า พระผู้วิบาลแห่งอำนาจจากสิ่งที่พวกเขากล่าวข้างสันติจะมีแดบ่บรรดาศาสนาทุทั้งหลายและการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสา ก, กลโลก